มีความสุขต่างๆเป็นไปตามกรรมก็เป็นอันว่าทรงได้พยาณคือความอย่างรู้สูงขึ้นไปอีกอันเรียกว่าจุตูปปาติยานความอย่างรู้ถึงจุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงในชาติภพนั้นๆของสัตว์ทางไล ของพระองค์เองด้วยและของผู้อื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าได้ตรัสรู้เรื่องกรรมตั้งแต่ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนับว่าเป็นพยานที่สองและต่อจากนั้นก็ทรงจับ ได้ถึงต้นเหตุก็คืออาสวะกิเลสกิเลสที่ดองจิตสังดานตรัสรู้เข้าไปถึงอาสวะกิเลสกิเลสที่ดองจิตสังดานอันทำให้ได้ทรงพบอริยสัจทั้งสี่คือทุก เหตเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อาสวะกิเลส ท, ที่ดองจิตสันดานเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะซึ่งพยานที่สามนี้เรียกว่าอาสวะขยายญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ และเมื่อทรงพบต้นเหตุดังนี้แล้ววิชาความรู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริงก็บังเกิดขึ้นเอาวิชาคือความไม่รู้ก็ดับไปหมดอาสะวะทั้งหลายก็ดับไปหมดเพราะฉะนั้นจึงทรงพบความดับทุกข์เมื่อทรงได้พยานที่สามนี้ ยังได้ทรงเป็นพุทธโธคือเป็นผู้ตรัสส ร, รู้แล้วสัตภาวะภาวะเป็นสัตว์คือผูข้องก็สิ้นไปหมดไปปรากฏเป็นพุทธภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ตรัสรู้ภูรู้ผูพนพระพุทธเจ้า พระพุท ธ, ธพระผู้ตรัสรูนั้นกล่าวสั้นก็คือรู้พ้นไม่เคยรู้ติดรู้ยึดรู้สิ่งใดยึดสิ่งนั้นติดสิ่งนั้นนั่นคือสัตตะภูกข้องแต่ว่ารู้สิ่งใดพ้นสิ่งนั้นวางสิ่งนั้น ก็เป็นพุท ธ, ธคือเป็นภูรูเป็นพระพุท ธ, ธคือเป็นพระภูตรัสสรูเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เนื่องมาจากจิตนี้เองทำจิตภาวนาฝึกจิตให้เป็นศีลฝึกจิตให้เป็นสมาธิและฝึกจิตให้ เป็นปัญญาขึ้นมาเมื่อเป็นดังนี้ศีลก็ตั้งขึ้นที่จิตและเป็นจิตจิตก็เป็นศีลสมาธิก็ตั้งขึ้นที่จิตเป็นจิตจิตก็เป็น ส, สมาธิปัญญาก็ตั้งขึ้นที่จิ ต, จ, ตจิตก็เป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา เพราะฉะนั้นจิต ท, ที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานี้จึงเป็นวิบุตตจิตจิต ท, ที่พ้นแล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องเกิดจากความที่เริ่มปฏิบัติมาโดยลําดับอันเป็นกิตตภาวนาตั้งแต่ในเบื้องตน้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทําความสงบสืบต่อไปบทนี้จาก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 ในธรรมธรรมะนั้นเป็นสัจจะคือความจริงของจริงซึ่งมีอยู่เป็นไปอยู่ใน บุคคลทุกๆคนจึงเป็นความจริงของชีวิตของร่างกายและจิตใจทั้งในอดีตในอนาคต และในปัจจุบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจจะคือความจริงนี้ทั้งที่เป็นส่วนทุกข์ส่วนเหตุให้เกิดทุกส่วนความดับทุก และส่วนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงทรงดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้ทั้งหมดทรงเป็นผูพ้นทุกข์เป็นผูพ้นกิเลสทั้งนี้ ก็โดยอำนาจแห่งพระพุาญาณคือความอย่างรู้ที่ตรัสรู้ถึงสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงสืบเนื่องมาจาก ที่ได้ทรงปฏิบัติเพิ่มพูนบารมีคือความดียิ่งยิ่งขึ้นโดยลำดับตั้งแต่เมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้บุคคลทุกคนซึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ประกอบด้วยความสุขของมนุษย์น้อยหรือมากและได้พบ พุทธศาสนาอันแสดงสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจคือความจริงยังทำให้ได้ทราบข้อปฏิบัติต่างๆสำหรับที่จะได้ เพิ่มพูนบา ร, รมีคือความดีอันเนกรธรรมไปแล้วซึ่งเรียกว่าปุเพรกระตะปุญญาตาความเป็นภูมิบุญอันเนกรธรรมไปแล้วในการก่อนมาปุปธรรม ตั้งต้นแต่ให้มันเกิดเป็นมนุษย์และให้จเจริญมาตามควรแก่ฐานะนั้ น, นๆโดยลำดับจนถึงปัจจุบันของทุกคนอันความดี ที่เป็นบารมีนี้ก็ตรงกับความชั่วที่เป็นอาสวะอันคำว่าอาสวะและบารมีนี้คู่กันดังจะพึงเปล่าเป็นคำไทยง่ายๆ ว่าบารมีนั่นคือเก็บดีอาสวะคือเก็บชั่วกรรมที่ทุกคนกระทำอยู่เป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามทางกายทางวาจาทางใจเมื่อกระทาแล้วคราวหนึ่งคราวหนึ่ง กิริยาที่ทำนั้นก็ล่วงไปเสร็จไปแล้วไปแต่ว่ายังเก็บความดีความชั่วอันเนื่องมาจาก ทที่กระทํานั้นไว้อยู่ถ้าเป็นส่วนชั่วก็เป็นอาสวะเก็บชั่วเอาไว้ถ้าเป็นความดีก็เป็นบารมีคือเก็บดีเอาไว้หาก ประกอบกรรมที่ชั่วอยู่บ่อยๆก็เก็บชั่วเอาไว้มากเพิ่มพูนขึ้นถ้ากระทำกรรมที่ดีไว้บ่อยๆไว้มากก็เก็บดีเอาไว้มากก็เป็นบารมีเพิ่มพูนขึ้น เพราะฉะนั้นอาสวะและบารมีนี้จึงเป็นส่วนที่ยังเหลืออยู่ไม่เสร็จไปเสร็จไปเหมือนดังกิริยาที่กระทำที่เสร็จไปแล้วไปเลิกไปเป็นคราว และคำว่าบารมีหรืออาสวะนี้ที่เป็นเก็บดีหรือเกือบชั่วดังกล่าวก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรรมได้เหมือนกันเพราะกิริยานั้นทำคราวหนึ่งคราวหนึ่งก็แล้วไปเสร็จไปเลิกไป แต่ว่ากรรมที่เป็นส่วนดีส่วนชั่วนั้นยังติดอยู่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาติดแสดงไว้ว่าสัตว์ที่จะต้องตายถือเอาบาปบุญ ที่กระทำไว้แล้วไปอันบาปบุญที่กล่าวนี้ก็หมายถึงกรรมนั่นเองกรรมที่เป็นบาปหรือเป็นบุญที่เด็กกระทำไว้แล้วไปเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากรรมได้อีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นคำที่เรียกกันทั่วๆวไป และอาจจะแยกส่วนดีเป็นบารมีส่วนชั่วเป็นอาสวะเพราะฉะนั้นทุกคนจึงควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยพิจารณาถึงตนเองว่าเป็นภูอันกรมดีหรือบารมีนํามะ มาให้บังเกิดเป็นมนุษย์และบรรลุถึงความเจริญตามฐานะของตนแม้ว่าชีวิตจะต้องประสบสุขบ้างทุกบ้างได้บ้างเสียบ้างอันเป็นส่วนที่เรียกว่าโล ก, กธรรมธรรมะสำหรับโลกก็เป็นธรรมดา เรียกว่าเป็นโลกกระทำคือเป็นธรรมะหรือเป็นธรรมดาของโลกอีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าเป็นธรรมดาของกรรมที่เด็กระทําไปแล้วอันส่งผลเป็นสุขบ้างทุกบ้างเป็นได้บ้างเป็นเสียบ้างอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อประสบโลกกระทำดังกล่าวก็ให้พิจารณาว่าเป็นธรรมดาโลกซึ่งจะต้องสุขบ้างทุกบ้างจะต้องได้บ้างจะต้องเสียบ้างและก็เป็นธรรมดาของกรรมที่ตนเองได้กระทําไปแล้วด้วย ซึ่งถ้ากรรมดีก็จะส่งให้ได้รับผลดีเป็นสุขเป็นได้ถ้ากรรมชั่วก็จะส่งผลให้เป็นทุกข์เป็นเสียกับทั้งให้พิจารณาถึงว่าเป็นธรรมดาของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอีกด้วยซึ่งจะต้องมีเกิดมีดับ และเมื่อตั้งอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาดังชีวิตร่างกายนี้แม้ว่าจะไม่พูดถึงเรื่องกรรมหรือพูดถึงเรื่องโลกกระท ชีวิตนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายจะอยู่ไปเท่าไรไม่ประสบอุบัติเหตุอะไรก็ต้องตายเหมือนกันหมดแม้จะช้าเท่าไหร่ก็ต้องตายในที่สุด และก็ไม่ช้ามากเกินไปดังชีวิตในปัจจุบันนี้ที่เรียกกันว่าขนาดแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งเกินร้อยไปก็ไม่มากนักได้ถึงแปดสิบเก้าสิบ็นับประมาทและเวลาแห่งแปดสิบเก้าสิบหรือร้อยหนึ่งนี้ถ้าทุกคนนึกดูแล้ว ดูเหมือนว่ามากวันนานแต่ว่าถ้านึกดูถึงตนเองในบัดนี้ว่าแต่ละคนก็มีอายุกันอยู่เท่านี้เท่านี้และอายุเท่านี้เท่านี้ของตนท่านึกย้อนหลังไปดูตั้งแต่จำความได้มาจนถึงบัดนี้ ก็จะรู้สึกว่าเหมือนอยากแว็บเดียวเท่านั้นตั้งแต่จำความได้มาจนนั้นนั่งกันอยู่ในที่นี้ในบั น, นี้ก็เหมือนกับแว็บเดียวก็มาอยู่ที่นี่แล้วยุค ก, ก็เข้าไปเท่านี้ด้วยกันแล้วคราวนี้มานึกดูถึงว่าต่อไปก็จะต้องถึงวาระหนึ่ง ที่ทุกๆคนก็จะมีความรู้สึกอยู่ดังนี้แต่ว่าปรากฏชัดว่าความตายมาอยู่ใกล้ที่สุดแล้วเช่นว่าป่วยมากอันชัดเจนว่าจะต้องตายแน่และในขณะที่ใกล้จะตายนั้นเมื่อยังมีความรู้สึก ยังไม่หมดความรู้สึกหากจะย้อนหลังตั้งแต่จำความได้ก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่ความจำความได้มาจนถึงใกล้จะหมดลมนั้นก็แวบเดียวอีกเหมือนกันแปลว่าระยะเวลาที่ชีวิตผ่านมา ถึงนับปีก็รู้สึกว่านานแต่ว่าดูความรู้สึกแล้วก็จะรู้สึกว่าแว บ, บเดียวไม่นานเลยและก็จะต้องทิ้งทุกอย่างทิ้งร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ทิ้งทรัพย์สมบัติต่างๆทิ้งญาติมิตรทั้งหลาย ทิ้งบุคคลที่เป็นที่รักทั้งหลายไปและแม้ว่าทุกคนจะยังไม่มีญาณอย่างรู้ื่อจะไปยังไงจะตายเกิดหรือจะตายสูญอย่างไรด้วยญาณปัญญาของตนเองแต่เมื่ออาศัยศรัทธาคือความเชื่อตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็ย่อมจะทราบได้ว่าหาได้ทิ้งไว้ทุกอย่างไม่ยังจะต้องถือเอาบุญบาปที่ได้กระทําไปแล้วไปบุญก็ให้ไปดีบาปก็ให้ไปชั่วไปชั่วก็เป็นทุกขติไปดีก็เป็นสุ ข, ขติเพราะฉะนั้น หากพิจารณาดังนี้แล้วก็จะทำให้พากันบังเกิดความไม่ประมาทแหละในขณะที่ยังสามารถอยู่ก็ประกอบกรณยะคือกิจที่คุณทำที่ควรทำอันเป็นประโยชน์ต่างๆตามหน้าที่ของตนก็ตามตามที่ควรทำก็ตาม ให้ไว้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และในการที่มีความไม่ประมาทประกอบกรรมดีต่างๆนี้ทุกคนสามารถจะกระทำได้และการกระทำดังนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทากรรมที่ดีเพิ่มกรรมที่ดี เพิ่มบารมีอยู่เสมอโดยอาศัยพุทธปฏิปทาคือปฏิปทาของพระพุทธเจา้าตั้งแต่เมื่อเป็นทรงเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีคือทานศีลเนคมะการออกปัญญา วิริยะความเพียรขันติความอดทนสัจจะความจริงอธิฐานะความตั้งใจมุ่งมัน่นและเมตตาความปรารถนาให้เป็นสุขอุเบกขาความเข้าไปเพ่งดู วางได้เฉยได้ในสิ่งที่ควรวางควรเฉยทั้งหลายด้วยปัญญาคือความรู้ทุกคนก็สามารถปฏิบัติบารมีในเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทั้งในด้านดี ทั้งในด้านร้ายในด้านดีนั่นเมื่อในประสบโลกกระทาส่วนที่ดีคือลาบยศสนเสริญสุขก็อัจส่วนที่ดีนี้ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายให้เป็นฐานบ้างเป็นศีลบ้างเป็นต้น เพราะว่าการที่จะประกอบประโยชน์เพื่อให้เกิดความสุขบรรเทาทุกข์แก่คนทั้งหลายแก่สัตว์ทั้งหลายต้องอาศัยลาบยศสนเสริญสุขเมื่อมีลาบยศสนเสริญสุข มากก็สามารถที่จะประกอบคุณงามความดีได้มากทำทานคือทำการช่วยเหลือต่างๆให้แก่บุคคลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้มากปฏิบัติศีลได้มากและ ปฏิบัติในเนคคำะคือการออกได้มกักปฏิบัติปัญญาได้มกักและข้ออื่นทุกๆุกข้อสามารถทำได้ดีได้มกักแม้เมื่อประสัพท์ประสบโลกกระทำส่วนที่เสียคือความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกก็ใช่ความ เสริมเหล่านี้มาบำเพ็ญบา ร, รมีได้โดยที่มีขันติคือความอดทนและมีข้ออื่นึ้นหนักเนกขมมะคือการออกอันหมายความว่าไม่ทำใจให้ติดอยู่ ในสิ่งที่เสื่อมไปนั่นก็เป็นลากก็าตามเป็นยศก็าตามเป็นสนเสงก็าตามเป็นสุกก็าตามแต่นำจิตให้ออกได้และอบรมปัญญาคือความรู้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นโลกกระทำธรรมดาโลก และเป็นธรรมดาของกรรมเป็นธรรมดาของสังขารคือสิ่งประสงค์ปรุงแต่งให้เกิดปัญญารู้ตามเป็นจริงอาศัยความเพียพรพยายามที่จะงับใจตัวเองและอบรมใจตัวเองให้มีความรู้ให้มีความอดทนเป็นต้นดังกล่าวนั้นและไม่ให้ทิ้งความดี ผนขวายกระทำความดีเท่าที่จะทำได้ให้ยิ่งขึ้นดังนี้ก็เป็นการเพิ่มบารมีและแม้ว่าเวลาบาังเกิดกิเลสขึ้นเช่นเกิดราคะความติดใจ ย, ยินดีโทสะว่าโกรธแค้นขัดเคือง โมห oh ะความลงหรือเกิดความโลภอยากได้เกิดตัณหาความดิ้นรนทยานอยากต่างๆก็ปฏิบัติระ ง, งับใจตัวเองมั่นคงอยู่ในศีลที่จะไม่ประพฤติละเมิด ไปตามอำนาจของกิเลสเว้นจากการฆ่าการทำร้ายเขาได้เว้นจากการลักขโมยเขาได้เว้นจากประพฤติผิดประเพณีในทางกามได้เว้นจากผุดเท็จได้เว้นจากน้ำเมาคือสุรามรไรอันเป็นฐานของความประมาทได้เป็นต้น